เ, เมื่อวันที่25เดือนตุลาคมพศ2510ณวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์มหาบัวยาเนะสัมปันโนบายคธีสอนหนุ่ม่ มาเป็ น, นำนับในความรู้สึกเพราะว่าเป็นที่แน่ใจถ้จาได้สอนเต็มภูมิของตนทั้งฝ่ายเหตุที่ได้เคยดำเนินมาอย่างไรและผลที่ปรากฏขึ้นมาบ้างเล็กน้อย นํามาสอนหนูเพื่อนไม่ปรากฏว่าธรรมะบุใดที่ได้ปรากฏแต่เหตุส่วนผลไม่มีแล้วนํามาสอนหนูเพื่อนสอนทั้งเหตุที่ได้ดําเนินผลที่ปรากฏแต่ไม่ได้บอกว่าผลไม่ปรากฏอย่างนั้นอย่างนั้นเท่านั้นเอง หลักธรรมะของพระพุทธเจากบครอบไว้แล้วโดยสัวขาตธรรมคือเป็นธรรมที่แับไว้ชอบแล้วพราะรู้ชอบปฏิบัติชอบการปฏิบัติชอบก็เป็นเหตุแห่งรู้ชอบและเสด็จแรงทำโดยชอบทำยึงไม่มีอะไรจะเป็นที่ขัดข้องสำหรับผู้จะปฏิบัติตาม อนดาท่านปฏิบัติที่ปรากฏเป็นผลขึ้นมาท่านกาแน่ใจของท่านทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลซึ่งมีดำเนินมาอย่างไรและผลปรากฏเป็นอย่างไรบ้างท่านนำมาประกาศสอนโลกแทนองค์องค์ศาสนามีพระหันเป็นต้นนอกจากนั้นก็มีครู่าจารย์ซึ่งท่านตั้งใจประพฤตปฏิบัติและรู้เห็นตามหลักความจริงตามเพราะ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 แสดงว่าเป็นไปโดยข้อมูลทั้งเหตุและผลทั้งเป็นที่แน่ใจในการสั่งสอนด้วยเรื่องของสุบาการที่ท่นสอนจริงท่านสอนอย่างไ น, นเพราะท่านรู้จริงและผู้ศึกษาและปฏิบัติมีความสนใจ และปฏิบัติจริงแค่ไหนมีเป็นปัญหาสำคัญสำหรับพวกเราผู้เป็นนักศึกษาด้วยกันจะนนำไปคบคิดและแก้ไขปัญหาข้อนี้ให้แจ้งจัดขึ้นภายในจิตใจของตนฉันสอนข้อใดผลว่าสอนออกจากความตีใจ ไม่ว่าพระพุทธเจ้าและสาวกหลอดคู่บ้าจากที่ท่านเป็นธรรมมาอย่างเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนกลางส่วนละเหอียดและไม่ว่าภายนอกภายในท่านสอนลงอย่างจริงใจถ้ากผูกฟังอย่างจริงใจและปฏิบัติจริงใจทําไมจะเห็นผลจะไม่เห็นผลเป็นที่จริงใจของตนเองแร้ว ราสวาขาตธรรมเป็นของกินตลอดสายตั้งแต่ต้นจนนวสารไม่มีสิ่งใดที่จะแปรปรอมพอให้เสียหวังสำหรับผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมข้อนั้นๆเป็นตั้งสอนกายชะตาสติเป็นต้นเป็นยังไงจึงต้องสอนกายชะตาสติและ เราพวกเราหลงอยู่ทุกวันนี้หลงอะไรถ้าไม่ใช่หลงกายจักตานคืเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นอุปทานใหญ่โตให้จิตใจละเมอเพ้อฝันอยู่ตลอดเวลายิ่งกว่าเรื่องของกายคือหลงกายนี่เองการที่ท่านสอนกายจักตาทาสสีติก็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 การประกาศสอนเรื่องกายชะคตาสติมานี่นานเท่าไรแล้วแต่พระพุทธเจ้าทุกๆองค์ไม่เคยละเวน้นแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าของเราก็ใได้ประกาศสอนมาเป็นเวนา2500ลาสองพันห้าร้อยกว่าพรนษาแลวไม่ได้สอนแยกออกไปเป็นอย่างอื่นเพราะการนี้เป็นธรรมชาติความจริงอันอยู่แล้ว ้วสอนให้ผิดจากหลักความจริงได้ไไปไม่ได้ทำไมท่านจึงสอนกายชะตาสติเพราะพวกเราหลงในกายว่าเป็นของสวยของงามนี่เป็นหลักสำคัญเป็นสิ่งที่น่ารักน่ารักน่า ก, กาหนับยินดีโดยที่ในสิ่งต่างๆส่วนต่างๆของร่างกายไม่มีชิ้นไหนจะชิ้นไหนจะเป็นของดีของสวยของงาม ตามความเพอ้อฝันของผู้คิดเท่า น, นั้นแล้วลองแยกออกดูตั้งแต่ผมซึ่งอยู่หนอกๆมีสวยมีงามมีสะอาดที่ไหนเช่นเช่นดำๆเปลี่ยนแต่ด ำ, ด, ำดำก็เป็นขาวเช่นผมนี่ดำนี่เป็นของสวยงามแล้วก่อ หม้อที่ถูกไฟมันก็ดำเหมือนกันให้เราคิดดูหากเป็นของสะอาดแล้วตกลงในภาชนะซึ่งเป็นที่รับประทานมีความขายะแขยงมันนะมูลของเส้นผมนี่มีอยู่ทุกเส้นไม่เคยปราศจากมืล มูลใครทราบมั้ยว่ามูลคือมีภาษาที่โลกนิยมครับถือกันพูดว่ามูลความจริงก็คือของส ก, กปรกที่ไม่พปงปราถนานั่นเองมูลเล็บมูลฟันมูลผมว่าไปมีกี่เส้นผมในบนบนที่สากของเรานี้และเส้นไหนบ้างที่ไม่ปราที่ปราดได้จากมูลคือสิ่งสกกรปก โสโไม่ได้เกี่ยวข้องเลยไม่เครือบแฝงเลยเป็นเส้นผมที่สะอาดมีเส้นไหนมั้งหมดทั้งศรีรษะนี้แม้แต่เส้นเดียวไม่มีเลยแล้วเราจะหาของขาดมาจากไหนในเส้นผมแต่และเส้นไหนจะ น, นีพอที่จะเป็นเหตุให้เกิดความรักความกำหนัดยินดีว่าสวยว่า ง, งามว่าสะอาดอาขนก็เช่นเดียวกันอีก มีลักษณะเช่นเดียวไม่มีอะไรผิดแปลกซึ่งอยู่ตามผิวหนังเช่นเดียวกันและเป็นเส้นเส้นเหมือนกันมีมูลของมันประจำอยู่ทั้งตัวเส้นผมเส้นขนและทั้งขุมที่เกิดข้งมันที่เรียกว่าคุ้มขนเพราะเห็นไรสิ่งเหล่านี้ทุกเส้นจริงไม่มีข้อยกเว้นม่าเป็นของสายเพราะเพราะฐานเดิม ที่มันเกิดนั้นหมดทั้งฐานมันเป็นสิ่งที่สพปูกทั้งนั้นหนังตรงไหนที่ไม่มีโมเด็ตดอยู่นั้นมีไหมเรา้องคิดดูนี่กายกระตาสติพิจณาอย่างนี้นี่หละตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้และตามหลักความจริงของร่างกายนี้ก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสตามเรื่องความจริงนี้เอง มาได้ฝืนความจริงไปเหมือนอย่างใจของพวกเราที่ฝืนอยู่ทุกๆขณะเวลานี้แล้วฝืนตลอดมาจึงก่อความยุ่งเหยิงวุ่นวายให้แก่ตัวเองทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนันอนหาความสุขมาได้เพราะความฝืนพัติธรรมดาและฝืนหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่อย่างไรให้กลายเป็นอย่างอื่นขึ้นมาโดยที่เป็นไปไม่ได้เ้าตรวจดูให้ดี หนังที่หุ้มห่ออยู่ในส่วนร่างกายของเรานี้มีส่วนไหนที่มีข้อยกเว้นว่าไม่มีของสกรปรกเสื่อแฝงอยู่เลยที่เรียกว่ามูลคำว่าที่ใครจะหมายถึงอะไรถ้ามันหมายถึงมูลนะไม่ว่าข้างบนข้างล่างรอบตัวนี้เต็มไปด้วยมูลนี่ทั้งนั้นแล้วที่ไหนว่าเป็นที่สะอาดที่ไหนเป็นที่สวยางาม เวลาพุ่มห่ อ, อ ก, กันอยู่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสัตว์เป็นบุคคลลองแพ่ออกที่หนังนี่เป็นแผ่นเหมือนแผ่นเสือ่อเหมือนเสือ่อเช่นหนั ง, นงวัวหนังควายนั่นแผ่แ อ, อกแล้วเป็นยังไงและหนังคนจะผิดแปลกกันไปที่ไหนข้างนอกก็เต็มไปด้วยมูลข้างในก็เยิ้มไปด้วยถี่วกระป๊ะ โกโครบมีเลือดและน้ำเหลืองเยิ้มไปหมดองไหนในหนังที่มีอยู่รอบตัวของเรานี้มีซึ่งมีข้อยกเว้นว่าเป็นสิ่งที่สะอาดและสวยามาซึ่งเป็นที่น่ารักน่ากำหนัดตามใจที่ละเมอเพ้อฝันอยู่เวลานี้ เอาแยกออกเป็นชิ้นนให้เห็นตามหลักความจริงของกาญจกตาถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสไม่ถูกตรงไหนมั่งจะขัดแยง้งในความรู้สึกของเราว่าไม่เป็นดังที่ท่านตรัสไว้เอาเริ่มแต่นังลงมาซึ่งอธิบายผ่านมาแล้วมีตรงไหนมั่งที่จะขัดแย้งว่าเช่นผมในบนศีษะเราทุกเส้นมีเส้นหนึ่งซึ่งเป็นข้อยกเว้นไม่มีมูลติดอยู่เลยและสถานที่ที่เกิดของมันก็ เป็นสถานที่สะอาดปราศจากสิ่งที่โสมมมีเส้นไหนมั่งเมืเม่อพิจารณาตามหลักความจริงแล้วไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่เส้นเดียวผมก็ไม่มีแล้วขนเล่ารอบตัวของเห่านี้มีเส้นไหนมั่งซึ่เป็นข้อยกเว้นไม่นี่เป็นแบบเดียวกันเพราะฐานที่เกิดของมันเต็มไปด้วยสิ่งที่โสม ม, มดังที่กล่าวมัน ในแขนหนังที่หุ้มห่ออยู่นี้ในรอบตัวของเราเต็มไปด้วยมูลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากที่นี่ไม่ว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นจากที่นี่จิงไม่มีข้อยกเว้นว่าเป็นสิ่งที่สะอาดและสวยงามน่ากำนัดยินดีน่าเคลิดม น, น่าเคลิ้ม น, น, น, นี่เป็นอาการที่สองที่สามเข้ามาผมขนหนัง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 พิดแตกจากเล็บทั้งหลายในบรรณาเล็บที่มีอยู่ในตัวบกของเราทุกๆเล็บอ่าพิจนารณาดูนีหลักกายคตาสติตามหลักธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างตรงแนวไม่มีอะไรจะมาเพิ่มเติมอีกและจะหยิบออกเห็นว่ามากไปหรือเหลือเฟือก็ไม่มีมีความพอดีนี่แหละเรียกว่าหลักมัชชิ ม, มาในการ สอนโลกสอนอย่างนี้ฟันอ่ะเกิดขึ้นที่ไหนฟันสถานที่เกิดของของฟันนั้นเป็นสิ่งที่สะอาดหรือโสมบที่นีฟันจะได้ความสะอาดมาจากไหนทําความสะอาดทั้งวันทั้งคืนบ้วนปากแล้วบ้วนปากเราแม้จะทําความสะอาดจากตอนเช้าเวลาตื่นนอนขึ้นมาแล้วเพเห็นไหไไม่อย่างนั้น ตัวเองก็ได้กลิ่นคนอื่นแล้วยิ่งทานไม่ได้เลยพอพูดออกไปมันเป็นไอพ่นสลบสลายไปล่ะทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นคิดดูอถ้ามันสะอาดมันทําไมเป็นอย่างนั้นขยะขยะแขยงตัวเองก็ยังได้กลิ่นเป็นบางครั้ง ในฟันแต่และที่แล้วที่มีมูลไหมถามตัวเองให้รู้เพราะต่างคนต่างมีมีมูลไหมมูลนั่นมูลนี้มีข้อยกเว้นไหมว่าเป็นมูลที่สะอาดฟันนิดเป็นสี่ที่ยกเว้นมีไหมว่าเป็นสี่ฟันที่สะอาดไม่มีหมาว่าฟันของใครทั้งนั้นมันเหมือนกันหมดอลองพิจารณาดูสิ ทำไมจะมาเห็นเรื่องกรรมฐานคือกาญจคตาถ้าพิจานาตามหลักนี้จริงๆเนี่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรฝันเกิดขึ้นมาจากของสกรปรกหนังละเอียดซึ่งอยู่ภายในป่านี้เป็นหนังอันหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นส่วนละเอียดเลยไม่ที่แยกกันว่าหนังอันเป็นส่วนละเอียดอันหนึ่งเหมือนกันเข้าแวดข้างในก็เป็นเนื้อเป็นกระดูก ฟันก็คือกระดูกนั่นแหละแต่เรียกว่าฟันมันเป็นกระดูกดีๆนี่แหละแต่ที่แยกตามอาการไว้ตามสมมติของโลกที่เคยใช้มาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนย้ำลงที่สมมุติของโลกเขาว่าหนังก็ว่าตามว่าผมว่าขนว่าเล็บว่าฟันก็ว่าตามมันได้ว่าธาตุนอกจากจะประมวลมันเรียกเป็นส่วนหนึ่งต่างหากเท่านั้นเวลาสอนต้องสอนแบบเดียวกันกับโลกที่สมมติไปแล้วอย่างไรเป็นแต่สอนตามหลักธรรมชาติที่มีอยู่เท่านั้น มันโสกกระปงก็บอกว่าโสกกรปมันเป็นยังไงก็บอกตามเรื่องมันไม่สะอาดก็บอกตามเรื่องมันีลังถามวอนหรือไม่ก็สอนไม่ตามเรื่อง อ, อันนี้เข้าไปถึงปันเส้นเอ็นเหรแต่และเส้นลเส้นเป็นยังไงมีอะไรสะอาดไหมกระดูกทุกท่อนซึ่งมีอยู่ในส่วนร่างกายของเรมันเป็นที่หน้าที่หน้ากำลัดยินดีไหมหน้าสว้งามไหม มันเต็มไปด้วยอะไรกระดูกมันก็เป็นของปฏิกูลอยู่แล้วเนื้อเอ็นที่เกี่ยวข้องติดกันตลอดทิ้งเลือดหรือบุพโภโรหิตก็เรียกผสมกันอยู่ภายในร่างกายมันมีส่วนไหนส่วนที่สะอาดมันลาส่วนที่มีอยู่เนี่ยเกี่ยวข้องกันอยู่กับกระดูกไม่มีส่วนไหนเลย เยิ่มเระดวของไม่สะอาดทงนั้นเริ่มแต่หนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามหมักหัวใจตับทางผืวไตปอดไ้ใหญ่ไ้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ารวมหมดในส่ว น, นร่างกายมีอาการไหนมัง่งที่เป็นอาการได้รับข้อยกเว้นว่าเป็นของสะอาดน่ารักใคร หน้ากำหนับหน้ายิ น, ย น, นดีหน้าเพลิดหน้าเพอไม่ีอาการไห น, นที่กล่าวมาทั้งหมดรวมแล้วเรียกว่าอาการสามจุดสองน้ำอยู่ในลำคลองยังดีกว่าน้าอยู่ในส่วนร่างกายของเราเราต้องคิดดูให้ดีหนังรองเท้ายังสะอาดยิ่งกว่าหนังในร่างกายของเรา หน้าขยักขยงเหมือนหนังของเาถ้าเราจะแก้ตัวเองต้องคิดเทียบเทียงอย่างนี้แล้วทุกส่วนในร่างกายนี้มีอวัยวะส่วนไหนซึ่งได้รับยกเว้นว่าเป็นสิ่งที่แปลกจากอวัยวะต่างๆในร่างกายคือเป็นของสาเป็นของน่ารักมีที่ไหนกระดูกก็ดูให้ดี แยกออกทุกชิ้นทุกชิ้นชิ้นไหนจะเป็นชิ้นที่นา่าชิ้นที่น่ากํำลัดยินดีที่น่ารักนะ่าชอบใจเอาไปดูตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาก็ได้จะดูตั้งแต่ข้างบนแต่กะโหลกทีศละลงไปก็ได้ทายังเห็นไม่ชัดเอาดูให้ดีคนตายกับเวลากับคนยังเป็นอยู่เช่นเรานี้กระดูกมีอะไรผิดแตกกันไหมเราเห็นกระโหลกทิศละคนตายทําไมขยับเข ย, ยงมาเห็นกระโหลกทิศละคนเป็นทําไมตื่นเต้น หนังคนตายเป็นยังไงมั้งหนังคนเป็นยมนนันหนังอันเดียวกันทำไมเห็นหนังคนเป็นแล้วตื่นเต้นน่ะเห็นหนังคนตายแล้วกลัวผีหนังอันเดียวกันกลัวมันอะไรนี่เป็นเรื่องที่จะตื่นเต้นก็คือเรื่องหลอกตัวเองมาซะก่อนไม่หลอกไม่ตื่นคนเราถ้าต UDIO ตามหลักของธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ตื่นเต้นในโลกนี้สบายไปหมดมี เ, เรื่องกายกระตาสติมีพูดถึงเรื่องความตกปลกโสมมของส่วนร่างกายหรือว่าพูดถึงเรื่องความปฏิกูล นับตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปจนถึงข้างในที่สุดและทุกชิ้นไม่มีส่วนไหนที่จะน่าพึงปรารถนาในร่างกายของเราและของไขรก็าตามหากได้พิจารณาตามนี้แล้วจะไม่หลงและจะเป็นความสบายไม่กังวลปล่อยภาระในสิ่งเหล่านี้ได้อุปท า, านจะมีมาจากไหนเมื่อมีอุปท า, านซึ่งถือภาระอันหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกนี้แล้วทาไมจะไม่แสนสบายลรา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 นอนอยู่ก็โง่นั่งอยู่ก็โง่ยืนก็นโง่ฉันก็นโง่อียะบททั้งสี่มันเต็มเพราะด้วยความโง่แบกตั้งแต่ความโง่อไปทั้งวันตายวันยังค่าก็ตามเถอะไม่มีอะไรที่จะเป็นคนดีสําหรับโมฆะบุตรคนนั้นขอให้พระท่านพิจารณาให้ดีอุบายวิธีที่ผมสอนทุกแง่ทุกมุมนั้นบางรายอาจจะลําคาญก็ได้แต่ผมไม่สอนเพื่อให้ท่านลําคานสอนเพื่อให้แก้ความโง่ของตนนี่เราจะ ทราบไหมว่าเราโู่หรือเราฉลาดไปแล น, นของมีอยู่เห็นอยู่ด้วยตารู้อยู่ด้วยจิตใจของเราเพียงในกายของเราเท่านี้อยู่กับตัวของเรา ท, ทําไมจึงไม่สามารถจะมองเห็นตามหลักความจริงทั้งๆที่มีอยู่เป็นหลักความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ืนไปไหนนี้จากหลักธรรมะของมือเจ้าซึ่งเป็นทางเดินอันถูกต้องไปไหนเข้าขวากเข้าน้ำให้เกิดความเดือดร้อนบุญบายนีล้วนแต่เข้าขวากเข้าน้ำ ทั้นัน่ะเยียบความเยียบน้ำไปทั้งวันทั้งคืนเพราะผิดจากหลักธรรมถ้าหากว่าเราจะดําเนินตามหลักธรรมแล้วเพียงกายกระตาสติเท่านั้นเราก็พอแล้วที่จะรับความสุขเป็นที่เย็นใจสบายจิตนี่แย่เป็นอาการอาการเรื่องกายกตาสติให้ทุกท่านได้พิจารณาเมื่อแย่เป็นอาการออกไปแล้วเอารวมตัวเข้ามาก็เป็นก้อนของกายนี่ก็คือก้อนอสุภะก้อนปฏิกูลก้อนซากผีดิบนั่นเอง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 พระองค์ท่านสอนตามหลักความจริงแล้วเราฝืนหลักความจริงไปเข้าป่าเข้ารถเหยียบขากเหยียบน้ําร้อนทั้งกลางวันกลางคืนพอมองข้ามความจริงนี่เลยนี่เลยผี้พูดถึงเรื่องความโกรกโปกโสมก็เต็มอยูน่นแล้วพูดถึงเรื่องความแปรก็มันก็แปรอยู่ตลอดเวลาที่ไหนจะเป็นที่ชิ้นไหนจะเป็นชิ้นที่ไว้วางใจว่าไม่แปรหมดทั้งร่างของเราเนี้ เป็นทุกข์ก็เหมือนกันมันทุกข์อาการไม่มีอาการใดที่ยกเว้นว่าไม่เป็นทุกข์แล้วควรหรือว่าจะเป็นอัตตา ม, มันอยู่ในฉากเดียวกันถ้าเห็นชัดตามหลักความจริงแล้วจะถือ ว, ว่าเป็นตนที่ไหนได้มันตั้งแต่กองทุกข์เหมือนกับอยู่ร่างกองเพิงกันแล้ว น, นี้ถ้าปัญญาไม่ฉลาดก็ตายกองกันอยู่ในกองเพลิงนี้หล จะให้อธิบายอย่างไรให้ฟังจิตทําไมจึงรุ่มร้อนและพิจารณาอะไรทุกวันนี้จึงรุ่มร้อนท่งไปหากระแสะโลกไปหาอะไรกระแสะโลกโลกมันคืออะไรถ้าไม่ใช่โลกธาตุโลกขันโลกดินน้า น, านมไฟโลกปฏิกูลโสโคกนี้จะเป็นโลกอะไรได้ความพิเศษที่โศมาจากไหนทําไมไม่ยับยั้งจิตใจทำไมไม่พิจารณาจิตใจทั้งหมดนี้พอเห็นตามหลักความจริงนี้จะได้มีความสะดวกสบายยืนเดินนั่งนอนจะเป็นสุขเป็นสุข และการพิจารณาธรรมะเพื่อการตอบถอนตนเองทำไมเห็นว่าลําบากไปหนึ่งภูเขาทั้งลูกมาทับอยู่บนศีษะแต่การจะปล่อยจิตใจให้ละเมอเพิ่ฝันไปตามสิ่งต่างๆจนเกิดความเดือดร้อนไม่มีวันถอนตอนได้ทั้งวันทั้งคืนนั้นทำไมเห็นว่าเป็นของสะดวกสบายจะให้ทุกข์จนตายหรือทึ้งจี่ว่าทุกตายแล้วจะรู้สึกทุกข์เมื่อไหร่ถ้าไม่รู้สึกในเวลานี้และเวลาปฏิบัติ ตามหลักธรรมะพระพุทธเจ้าอยู่นี้จะหาโอกาสรู้ที่ไหนผมว่าไม่มีวันรู้ตายที่เมื่อป่ามันเนี่ยเนี่ยจะผมเอาอะไรมาสอนหมู่เพื่อนหมดกําลังความสามารถนี่ก็ารปฏิบัติมาอย่างนี้สอนอย่างนี้ไม่ใช่เอามาหลอกหมู่เพื่อนปฏิบัติมาอย่างนี้สอนอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้เหมือนกันถ้าเห็นตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วจะต้องเกิดความโลรธสังเวยในความโง่ของตนอย่างเต็มที่โง่ต่อกาย โง่ต่อเวทนาโง่ต่อสัญญาโง่ต่อสังขารโง่ต่อวิญญาณมันล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของปลอมสําหรับเอะจะหลอกมุลุตาปางแต่ถ้ารู้ตามหลักความจริงแล้วมันจริงทั้งนั้นรูปก็จริงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจริงตามส่วนของมันมันไม่ได้มาชักชวนให้เราหลงแต่เราเป็นบ้าหลงมันต่างหากเพราะบ้าภายในใจเรามันมีอยู่แล้วเห็นบ้าไม่รู้หน้ารู้หลังไม่รู้วันรู้คืนนี่สิพันแค่ยากพูดตามธรรมะ ส่วนละเอียดก็คือบ้านั่นเองแล้วขออาภัยอย่ามาผมพูดอย่าพูดตามหลักความจริ ง, มงเามาหล้าเมาสุลาเป็นบ้าไปอย่างนั้นมันก็ยังรู้เวลาเวลาที่สามเมาในรูปในชมในท่าสี่ขันห้าดิบน้ําลมไฟเมาเรื่องเขาเมาเรื่องเรานี่นี่ไม่มีเวลาแล้วจอดแวะก็ไม่มีเวลาจะจอดเสอะไล้หาที่ตรงที่วางก็ไม่ได้นักท่วงอยู่ทั้งวันทั้งคืน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 มีอยู่อย่างสมบูรณ์ในทุกรูปทุกหนามไม่ว่าใครจะชื่อว่ายังไงใครจะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรธรรมชาติที่กล่าวนี้ทั้งหมดมีอยู่อย่างสมบูรณ์้ายังสติอย่างปัญญาลงไปที่นี่จะเห็นความจริงและไม่ต้องสงสยัยทั้งไม่ต้องละเมอเพ้อฝันไปไนอีกแล้วจ ะ, ะมีเวลาพักผ่อนจิตให้สบายสักที หลักความจริงนี่แหลจะเป็นสถานที่จอดทักได้อย่างเย็นใจสบายใจเพียงขั้นกายสุกตาสตินี้พอสมควรที่จะมีความสุขความสบายในการประพฤติตามหลักธรรมของพระพุทธเจา้าเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือนักบวชซึ่งมีหน้าที่พร้อมอยู่แล้วในเรื่องเวทนาทัญญาสังขารวิญญาณ น, นั้นแม้จะเป็นส่วนละเอียดจะหนีจากปัญญาดวงนี้ไปไม่ได้ จะต้องรู้ตามไปหมดตลอดสายยิเรศ จ, จะไปแฝงอยู่ทางรูปทางกายทางสัญทางเวทนาสัญญาสัญขานวิญ ญ, ญาณแฝงอยู่ที่ไหนก็ตาัางตามรู้ปัญญาไม่มีอะไรที่จะเสมอได้ซองทะลุไปหมดแม้ที่สุดจิตซึ่งเป็นสถานที่เกิดแห่งีิเรอาศอาาาาาาัตมาทั้งหลายก็สามารถรู้ได้ขณะฐานเดิมจริงๆก็คือเกิดขึ้นจากจิตเพราะจิตยัง ไม่สามารถไปในตัวเองจึงไม่อาจจะกลั่นกรองตัวเองให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆหน่ถามว่าเป็นวัตถุที่ควรรับทานก็วัตถุที่เป็นอาหารก็คือยังเชื้อด้วยพิษเป็นหัวเผือกหัวมัน แม้จะเป็นอาหารก็ตามแต่ถ้าทําไม่ถูกตามหลักซึ่งควรจะเป็นอาหารได้มันก็เป็นภัยต่อร่างกายเหมือนกันฉะนั้นผู้เป็นนักในสิ่งเหล่านี้จึงต้องรู้วิธีปฏิบัติต่ออาหารประเภทนี้แล้วนำมาทำอย่างไรจนสำเร็จเป็นอาหารอาิจขึ้นมาอย่างดีและสมบูรณ์ตามภูมิของอาหารประเภทนั้น จิตใจก็เหมือนกันเมื่อมีสติปัญญาแล้วจะต้องเป็น ล, ลักษณะเดียวกันกับแม่ครัวปรุงอาหารจนให้มีรสมีชาติอย่างเต็มที่ได้เดี๋ยวนี้เต็มพเดความขมขื่นเต็มพเดความเดือดร้อนเต็มพเดความรุ่มหลงอยู่ในจิตนั้นหมดเพราะจิตนั้นเป็นบ่อแห่งความเดือดร้อนแห่งความรุ่มหลงจึงกระจายออกมาภายนอกออกทางตาก็หลง ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหลงไปหมดออกทางใจของตัวเองก็หลงเพราะหลงใจหมวนเข้าไปประมวลเข้าไ ป, ป, าไปด้วยการพิจนารณาโดยทางปัญญามีสติเป็นคู่เคียงอยู่สเสมอแล้วจะต้องรู้เข้าไปเป็นลำดับๆจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งสมมติที่มีอยู่ภายในจิตใจเท่านั้นและถอนออกได้ไม่มีสิ่งใดจะเป็นสมมติแม้แต่นิด ผังอยู่ภายในจิตนั่นเลยนั่นแหละคือจิตล้วนล้วนคือจิตที่บริสุทธิ์แท้หาทุกที่ไหนไม่มีเพราะคําว่าทุกก็คือสมมุติคำว่าสุขก็คือสมมุติเช่นเดียวกันนอกจากจะเป็นสุขในหลักธรรมชาติของมันที่เป็นเองกับความบริสุทธิ์นี้เท่านั้นไม่มีความสุขอื่นใดจะเป็นความสุขที่แน่นอนอทุกข์ขันนำไปที่ยดียผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ความจริงต้องเป็น คนจริงฟังจริงปฏิบัติจริงเอาจะทุกข์ขนาดไหนก็ให้ทราบว่าตนทํางานต้องเป็นทุกข์ไม่ว่างานชิ้นไหนชื่อว่าขึ้นชื่อว่าทํางานแล้วต้องมีทุกข์เกืออยู่ด้วยกันมีการประกอบการงานอันนี้ก็เป็นางานชิ้นเอกที่จะลือ้อถอนตอนพ้นจากทุกข์โดยไม่ต้องกลับมาเย็นว่าแต่เกิดอันเป็นบอกกังวล น, นี้ต้องเป็นงานที่ทุกข์เช่นเดียวกันทุกข์เพื่อผลอันรําเลิศประเสริฐนี้ ้ทุกแค่ไหนก็ทุกไปพระพุทธเจ้าเคยผ่านมาแล้วและพาพวกเราทำทำม า, มาก่อนพวกเราเลวเห็นไหมในตำบัดตอาหลสลบสลายไปสี่ครั้งไม่ทุกจะถึงสลบสลายหรือคนหรอการสลบสลายก็จะเป็นผลของทุกที่เหลือกำลังก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นนั่นความเมอยาคางแคนไม่มีใครจะยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไปลงถึงเป็นกรรษัตริย์แล้วออกไปทรมาน ฝพระองค์อยู่เช่นนั้นประหนึ่งว่าคนอนาถาทำไมจะไม่ได้รับความทุกข์แขนงสาหาัสพวกเราในี่ไปที่ไหนก็มีปู่ดูแลรักษาเรื่มใสศรัท ธ, ธาเบนทบาทก็เต็มบาทมาตุกวันพระบงจีวรที่อยู่ที่อาศัยไม่มีสิ่งใดบกท้่องมีแต่สมบูรณ์บริบูรณ์ชนนอนใจลืมตัวเนี่ยสักกะกาโรภุริสังหันติ รูุ้ผู้โง่มันตายด้วยความนอนใจเพราะไม่ไม่รู้สึกตนไม่สำนึกว่าสิ่งเหล่า น, นี้เกิดขึ้นมาจากอะไรยินแล้วนอนนอนใจเป็นสิ่งสำคัญมาไรคิดอ่านใจต่อนอนอยู่ในขวากให้หนามก็ว่าของดีเหมือนยังหมูนอนอยู่ในโครในตรงมก็ว่าของดีหรือ ชุดลากออกมาจากนั้นก็ขึ้นเคียงเขาเท่านั้นแหละไม่มีอะไรหน้าที่ของหมูมีทําง น, นหน้าที่ของคนโง่คนเขาของคนขี้เกียจก็ต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องขึ้นเคียงของภพของชาติสับยำให้เกิ ด, ใ ห, กดให้ตายอยู่ตลอดกับตลอดกันนี้เท่านั้นแหละเรื่องแล้วเราจะเลือกเอาอะไรถ้าเราเป็นนักปฏิบัติจริงๆเนี่ยจะเลือกเอาอะไรเป็นสาระแกนสารจะให้เป็นหมูอย่างที่ว่าหรือจะให้เป็นพระ ท้าวเลยว่าผู้รรประเสริฐการเพื่อปฏิบัติต้องให้เป็นเรื่องของพระจริงๆอย่าเอาสิ่งใดมาปลอมแปลงแฝงอยู่ภายในเรื่องของพระภายในองค์ของพระภายในใจของพระหน้าที่การงานทุกทุกอย่างให้เป็นไปด้วยหลักธรรมหลักพิณมีเหตุมีผลทุกด้านพร้อมมุมนี่ชื่อว่าเป็นเรื่องของพระพระอย่างนี้พระหาได้ยากหาเอาในตัวนั่นแหละแต่หายยากเพราะขี้เกียจอ่อนแอ จะทําอะไรเล็ก น, น, น้อยก็เป็นของลำบากของยากกรเทียมถ้าเขาเลยหายากสิไม่เจอเจอแต่การหลับการนอนการขี้เฉียดขี่้ขันอานต่างๆนานะเจอแต่ความเดือดร้อนหานั้นก็เจอนั่นสิหาของดีทําไมจะไม่เจอผมก็หมดปัญญาสอนหมู่เพื่อนมา ไม่ว่าส่วนยาส่วนกลางส่วนเอียดไม่ว่าภายนอกภายในสอนยํำแล้วย่ำเรามองเห็นหมู่เพื่อนแต่ละองค์ละองค์ที่ผ่านสายตานี้จะต้องจ้องมองดูด้วยความเป็นห่วงด้วยความสงสารไม่ใช่ด้วยความจับผิดจับโทษเพื่อจะอามาย่ำยีแต่เพื่อจะเสริมเพื่อจะแก้ไขให้ทั้งนั้นบางทีก็ชี้นิ้วก็มี แล้วผู้ที่มาศึกษาเห็นอากัปกิรยาอย่างนั้นได้คิดอย่างไรบ้างก่อนที่พวกท่านจะเข้ามาสู่ที่นี่พวกท่านมีความรู้สึกอย่างไงต่อสำนักนี้วัดนี้หรือผมเวลาเข้ามาแล้วความรู้สึกนั้นเปลี่ยนแปลงหรือ เ, เป็นอย่างไงในเวลาที่ได้รับการแนะนำสั่งสอนทั้งสั้งใจสอนทั้งที่ผ่านสายตาเคลื่อนคาดอย่างไรและสอน หรือเข้าใจว่าพูดเล่นหรือเข้าใจว่าเป็นนักบวหรือเข้าใจว่าเป็นนักตำหนิจึงไม่รู้สึกกลัวหาความแยบคายไม่มีผู้สอนจะตายแล้วนะผู้บายวิธีที่จะนำมาสอนนี้ไม่ใช่ เอามาอย่างง่ายๆแทบตายมาเหมือนกันใครจะตั้งใจก็ตั้งใจที่ถ้าว่าได้ปฏิบัติดังที่ดังที่อธิบายมานี้จะไม่เหนืออำนาจของความเพียร ขงความทุกข์ทรมานตนไปได้จะต้องอยู่แน่นอนไม่มีทางออกถ้ากติปัญญาไม่ตามรู้ตามเห็นกันอยู่ประจําหน้าที่การงานของคนที่กําลังบําเพ็ญอยู่นั้นจะฝืนไปไหนคนหนึ่งเตรียมจะรู้ล่วงของตัวเองอยู่แล้วแล้วมันจะไปที่ไหนเมื่อเราเตรียมรู้นอกจากว่าเราจะไม่สนใจแต่นั้นมันก็ออกไปตามกระแสของมันที่เคยเป็นมา ตั้งขับตังกังกนเป็นมาอย่างนั้นเหมือนกับน้ําที่ไหลลงทางต่ำเพอปราศจากสิ่งที่ติดขั้นมันก็ไหลลงไปถ้าว่ามีสิ่งติดกั้นมันก็ดูความติดสิ่งติดกั้นแน่หนามันคงก็เลยรับประโยชน์จากน้ํานี่เหมือนกันเช่นกันการแสดงธรรมก็เห็ น, ม น, น, นวม่ค่อยควรทีท่จติดเชิงธรี้